เส้นทางการปฏิบัติสองโดยสติมาหรือป้านิษจากบ้านอารีการเดินทางสู่เส้นทางการปฏิบัตินั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้เราไม่ต้องเดินเบี่ยงเบนออกจากเส้นทางไปขณะที่เราคิดว่าเราทราบเส้นทางแล้วเราก็ควรทราบด้วยว่าจริตนิสัยวาสนาเราเป็นเช่นไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ไม่เสียเวลาและเดินได้ตรงทางทั้งนี้สิ่งต่างๆก็ยังอยู่ในหลักใหญ่ก็คือการมีสติสัมปชัญญะนั่นเองเราใช้โยนิโสมณสิการการน้อมทมเข้าสู่จิตใจเรานั้นให้เราหมั่นตรวจดูกายใจเราว่ายังอยู่ในเส้นทางหรือไม่ด้วยรู้ว่าการปฏิบัตินั้นผลของการปฏิบัติจะต้องมีผลออกมาทันที เป็นความเบาสบายของจิตจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนและมีความสุขชยมาทุกเมื่ออย่างเช่นเมื่อเรามีสติเกิดขึ้นความสุขจะโฉยขึ้นมาทันทีเราจะรู้สึกมีความสุขทั้งที่อยู่ท่ามกลางความร้อนของสิ่งต่างๆในโลกนี้เพียงชั่วขณะที่เรามีสติรู้อยู่ที่กายใจเรานี่เองทั้งทั้งที่เหตุการณ์แวดล้อมเราจะมีปัญหาวุ่นวายอย่างโลกโลกอยู่ก็ตาม แต่จิตใจเราจะเบาสบายเพราะเข้าใจในโลกและวัฏฏะสงสารนี้อย่างแจ่มแจ้งการหมั่นตรวจดูจิตใจเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะเราเกี่ยวข้องอยู่กับโลกและกระทบกับกรรมวิบากทั้งของตัวเราและของผู้อื่นอยู่เราต้องระมัดระวังอย่าให้กิเลสงอกเงยจากสิ่งต่างๆรอบข้างเราทั้งที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม ทำกุศลก็ก่อให้เกิดอกุศลได้ทำอกุศลก็อาจจะก่อให้เกิดกุศลได้ทั้งนี้ผลโดยตรงก็มีอยู่แล้วคือกุศลก่อให้เกิดกุศลและอกุศลก่อให้เกิดอกุศลแต่เรามักลืมสองข้อแรกไปว่ามีอยู่เช่นกันฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือจิตใจเรานี่เองอย่าให้ผลออกมาเป็นอกุศลหรือ เมื่อเกิดแล้วก็ให้รู้ทันเหตุนี้บางท่านจึงต้องใช้กำลังของสมถะเข้าช่วยเพื่อให้จิตมีกำลังของอกุศลและต้องทราบด้วยว่าเราใช้สมถะเพื่ออะไรส่วนมากก็เพราะเราไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้ในช่วงนั้นกิเลสมากไปจะหลบเข้าไปพักผ่อนก่อนก็ไม่ผิดแต่ต้องทราบว่าเราทำอะไรอยู่เพื่ออะไร และรีบกลับมาตามรู้กายใจต่อไปเป็นวิปัสสนาโดยวัยเพราะทางนี้ทางเดียวที่เป็นเส้นทางของปัญญาเราจะเห็นได้ว่าบางท่านจุดสุดท้ายก็ต้องทนกิเลสคือไม่มีการหลบแต่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญต่อหน้ากิเลสล้วนเพื่อให้จิตเรียนรู้และสามารถเอาชนะกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเสตีในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกถึงทุกข์ที่สาหัส แต่ด่านนี้ต้องผ่านให้ได้เช่นกันหลวงพ่อบอกว่ามันทุกได้มันก็สุกได้เพราะมันต้องเรียนรู้จุดนี้ให้ผ่านให้ได้ถ้ามัวจะหลบแล้วเมื่อใดจะได้แจ้งธรรมครูบาอาจารย์ท่านนำทางเรามาแล้วทุกท่านล้วนผ่านทุกสาหัดนี้มาแล้วทั้งสิ้นจนเห็นว่ามันทุกได้มันก็สุกไดจิตที่เสื่อมแล้วเจริญนั้น สุดท้ายก็คือมันแสดงไตรลักษ์ให้เราเห็นทนท้ออยู่นี่เองเรามีปัญญาเข้าไปเห็นเมื่อใดก็คงไปได้เมื่อนั้นสติมา เพียงบทเรลียนทุกดา